ติโงวิวานชันตุสาพารโควินาสตุมาเตภวาตวันตารายโยสุกีอยูโกภาวาพิวานธนาศิลิสานิต จังวุ่นาปาจายินโอจานตารนธรรมวันทันติอายุวันน้สุขังภาลังสัพพุทธานุภาเวนัสัพพธรรมนุ สัพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนานางธรามรัตนานางสังคารัตนาตินางรัตนานางานุภาเวนะจตุริสีติสห an ัสธรรมะ ทานทานุภาเวนะปิตาการตยานุภาเวนะชินาสาวะกานุภาเวนะสาพเพต สัพเพติภยาสัพเพติอันตรายาสัพเพติอุปาถวานสเพเตทุนิมิตาสัพเพติอวามังคลาวินาสันตุอายุวัทา่าโกนท่านาวัทท่าโกสิริวัฒ ยาสาวันทาโกภาวันทาโกวันนาวันทาโกสุขาวันทาโกโหตุสาปธาทุก ข้าพยามเวลาโกกสัตุจุปัฏาวานิกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสะสะสสยสินที่ทานางลาพังโสติภาคขยัางสุขังภาลสิริอายุจวันโนเจโพขังวุ จยียสวาสะตะวาสัจะายูจ้ชิวสิทธิพาวันตูเทมพาวันตูซาผ้ามังรักันตุูซาพาเทวาตาสาพาพุทธานุภาเวนาสาธาสดีพาวัน ภาวตุสาภามังการลางรักขันตุสาว่ตตาสาภาธรรมานุภาวนาสธาโสติภาวั น, าา ภ, าวนภาวตุสาภมางการลางรักขันตุสาภาเทวตาสาภสังฆานุ พาเวนัสธาโสทีพาวันตุเต